แววเสียงสวรรค์ในหัวข้อเรื่องแววเสียงสวรรค์ในฉบับนี้ได้มีเทศของหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตวัดระคังข้าพเจ้าได้ถแถลงไว้ในท่อยถแถลงของหนังสือวิญญาณฉบับที่แล้วว่าจะนําเทศของท่านลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ แต่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้แสดงเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราชสองแต่แล้วไม่ได้นาครั้งนี้ลงทั้งนี้ก็เนื่องจากเมื่อได้ปรึกษากับท่านท่านให้ข้อคิดเห็นว่าควรจะลงมาตั้งแต่กันแรกและการต่อๆมาโดยลำดับซึ่งทั้งหมดมีอยู่สี่กันการที่แสดงเมื่อวันที่14กันยายนนี้เป็นครั้งที่สี่ อันที่จริงเรื่องต่างๆที่หลวงพ่อสมเด็จได้มาแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าและคนอื่นๆทั้งโดยวิธีการเข้าทรงและโดยวิธีติดต่อทางสมาธินั้นมีมากมายหากแต่เป็นเรื่องสั้นๆและส่วนมากก็เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นการตอบปัญหาต่างๆที่มีผู้ถามเรื่องต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่ได้บันทึกลงในเทปแต่บางอย่างก็ได้นามาเขียนลงในหนังสือวิญญาณ เทศกันแรกที่ได้นำลงนี้ท่านเทศเมื่อวันมาคบูชาพุทธศักราช2504ต่อหน้าคนฟังประมาณ20คนซึ่งในจำนวนคนที่ฟังครั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่และยังติดต่อกับข้าพเจ้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงหาพยานหลักฐานได้แต่อย่างไรก็ดีที่เราแล้วมามีได้บันทึกอย่างเป็นหลักฐานเหมือนเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าตั้งใจว่า ต่อแตนี้ไปจะมีการบันทึกกันไว้ทุกครั้งในกรณีที่ได้นัดหมายคนอื่นๆให้มาร่วมดูการแสดงและแต่ละเรื่องก็จะได้พิจารณานําลงในหนังสือวิญญาณเป็นตอนๆไปอันหนึ่งข้าพเจ้าได้แถลงไว้เมื่อครั้งที่แล้วอีกเรื่องหนึ่งว่าจะได้นําเอาเรื่องที่ท่านมหาตมะคารทีได้พูดไว้โดยวิธีการเข้าทรงเมื่อวันที่ส4กันยายนสองห ลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ด้วยแต่เรื่องที่ท่านมหาตมะคารท์ทีพูดนั้นเป็นภาษาปัญจบีฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เชิญแขกชาวอินเดียซึ่งเขารู้จักภาษาปัญจบีดีและรู้ภาษาไทยด้วยให้มาฟังทั้งสองคนได้เชิญมาคนละเวลาไม่พร้อมกันแต่ทั้งสองก็ได้ยอมรับว่าเป็นภาษาปัญจบีจริงๆเขาฟังรู้เรื่องตลอดคนหนึ่งได้ถอดออกมาเป็นอักษรของอินเดีย ดังที่ท่านได้เห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้และอีกคนหนึ่งช่วยแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านมหาตมะคารทีข้าพเจ้าตั้งใจจะได้เชิญบุคคลสำคัญในวงงานต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสถานทูตอินเดียให้มาพบปะสนทนากับท่านและจะถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปในหัวข้อเรื่องแววเสียงสวรรค์ ท่านจะได้พบเรื่องในทํานองนี้ทุกๆครั้งข้าพเจ้าเชื่อว่าเรื่องนี้จะทําให้คนทั้งหลายเกิดความแน่ใจว่าคนเราตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตความรู้ความสามารถตลอดถึงอุปนิสัยใจคอต่างๆทั้งดีและไม่ดีซึ่งเมื่อตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์มีอยู่อย่างไรตายจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นโอปปาติกะลักษณะทางจิตใจทุกอย่างก็ยังอยู่ในรูปเดิม ในความหมายอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสิ่งที่จะติดตามคนเราไปทุกขนทุกแห่งก็คือบุญและบาปที่เราสะสมเอาไว้บุญและบาปนี่แหละคือตัวการสำคัญที่จะสร้างสรรคนเราให้เกิดมาดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรเทศกันแรกของหลวงพ่อสมเดจนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อท่านได้ฟังด้วยความพินิดอย่างถี่ถ้วนแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า เรื่องนี้มีเหตุผลหรือไม่จะเป็นเรื่องที่ท่านแท้จริงหรือเปล่าเทศนากันแรกของลุงพ่อสมเด็จพระพุทธาจย์โตเรื่องชีวิตอปปปาติกะ แสดงเมื่อวันมาคบูชาพุทธศักราช 2,504 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัตว์ขอให้ทุกคนน้อมใจราลึกถึงองค์พระาศาสดาและจงทาใจให้สงบข้าพเจ้าเคยได้พูดมาแล้วครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเห็นเรื่องผีสางนางไม้และเทวดาเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่จะดนบันดาลได้จงเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่าหลงงมงายตามอย่างที่เคยเชื่อถือมา ผีสางนางไม้เทวดาก็มีชีวิตอย่างมนุษย์ปุถุชนนอกเสียจากว่าไม่มีร่างกายเป็นเครื่องแอบแฝงโลกของผีสางนางไม้เทวดาหรือซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตเหมือนอย่างอยู่ในความฝันชีวิตของคนที่ตายก็เหมือนอย่างชีวิตที่เรานอนหลับแล้วฝันไปแต่การนอนหลับฝันนั้น ยังมีการสะดุ้งตื่นเพราะมีร่างกายเป็นเครื่องกีดกันแต่ชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ในความฝันล้วนๆไม่มีวันที่จะได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกทรมานอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นสุขสบายอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นจงนึกดูให้ดีในขณะที่เรานอนฝันฝันร้ายฝันว่าถูกเสือกัด ฝันว่าถูกโจรผู้ร้ายไล่ตามแทงเพื่อจะยื้อแย่งเอาชีวิตไปนั้นทุกขทรมานเช่นไรและเมื่อฝันว่าได้นั่งในที่นั่งอันอ่อนนุ่มนอนในที่นอนอันอ่อนนุ่มได้กินแต่อาหารอันโอชารสมีความสุขสบายเช่นไรแต่ในชีวิตของความฝันนั้นเรามีเวลาตื่นมีเวลาที่จะออกมาต่อสู้ชะตาชีวิตในร่างกายมนุษย์ แต่ในชีวิตของโอปปาติกะฝันอย่างนั้นตลอดไปจงคิดดูสิว่าถ้าสุขก็จะสุขอย่างไรทุกก็จะทุกอย่างไรฉะนั้นขอทุกคนจงมุ่งหวังแต่ทำความดีจงคิดดูง่ายๆว่าคนที่จิตใจสกรปรกโสมมมในขณะนี้ในขณะที่นอนหลับแล้วฝันนั้นจะมีตะการฝันร้าย แต่คนที่จิตใจสงบสะอาดบริสุทธิน you know, ั้นนอนหลับอย่างสุขสบาย <and ísimo S 2> และฝ <mb al. S 2> ันอย่างเป็นสุขจงมองเปรียบเทียบชีวิตทั้งสองและจงนำไปไตร่ตรองให้ดีและจงตัดสินใจว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เช่นไรการจะทำความดีนั้นเราจะทำได้ต่อเมื่อเรามีชีวิตเป็นมนุษย์เท่านั้น พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากนักฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์จงกอบโก ย, ยทําแต่ความดีเพราะชีวิตจะได้เป็นสุขความโลภโมโทสันเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างมหาหันทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงส่วนประกอบที่จะทําให้ชีวิตนี้ดําเนินไปได้โดยสะดวกเท่านั้น หาได้เป็นสิ่งจีรังยั่งยืนที่จะทําให้จิตใจใน้สงบสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะมีชีวิตและดำเนินชีวิตต่อไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างเป็นสุขมนุษย์ในสมัยนี้หวังพึ่งสิ่งต่างๆคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำไปสู่ความสงบสุขนำไปสู่ความสะอาดเขาลืมนึกถึงว่าเมื่อสองพันกว่าปีผ่านมาแล้วนั้นพระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้เช่นไรเขาลืมเขาเหยียบย่ำคำสอนของพระองค์มนุษย์กำลังอยู่ในความมืดกำลังจะจมลงสู่บอ่อน้ำเน่าแห่งความหายะนะทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้กำลังพลุโผล่จะมองเห็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นจงอย่าปล่อยจงอย่าปล่อยจงอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จงคว้าแสงเงินแสงทองนั้นไว้เพื่อประดับชีวิต เพื่อความสันติสุขเพื่อดำเนินไปตามรอยพระบาทยุคนทุกคนอย่าลืมว่าชีวิตนี้สั้นนักอีกไม่กี่ก้าวเราก็จะพ้นจากร่างกายนี้ไปมีชีวิตอยู่อย่างโอปปาติกะเป็นชีวิตแห่งความฝันชีวิตแห่งความรู้สึกนึกคิดซึ่งเมื่อทำความดีก็จะได้ลิ้มรสแห่งความสุขแต่ถ้าทำความชั่วก็จะตกนรก